أعوذ ب الله من الل الله ا ل شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تبع ل ي ن ا إنك أنت ا ل تواب الرحيم อ ا, أ, آ, ا م าเอติ م า ن ม่แ ر ด ح นค่ะร่ำเมตนะอุ้ยเล ا าน ن เป็นอเมรินาระชเดอบนาเอตินาในปัญหาสเน ا ์ในอัลอาขีรติพัสนะว่ากินอาดับนกับดูอาอัลลอฮฺ سبحانه แล تعالى อัลฮัมดุลิลลา ل ์อัลล ในอัมตีห์ที่ทำศัลย์ حاد ชูกรตอ Allah ที่ได้ส่งเติมเต็มชีวิตของเราในเดือนระมัตตอนที่ผ่านมาให้เราได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเดือนระมัตอนได้ทำอาลัอิบาดัตต่างๆได้ฟื้นอิมานอามัย อิบาตดัตของเราต่อล l l a h سبحانه และ ت ع ا ل ตลอดหนึ่งเดือนเต็มอัลฮัมดุลิลลาฮ์พร้อมๆกับการขออุดนะครับต่อล l l a h سبحانه และ تعالى หลังจากที่ رمضان ผ่านคนไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องขออุดให้พระองค์ตอบรับงานที่เราทํำงาลอิบาตดัตต่างๆที่เราทํำสละกบางคนถึงกับกล่าวว่า ถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําเพียงแค่อย่างเดียวอัลลอฮ์รับเนี่ยตายก็ไม่เสียดายละหมายความว่าอ้บาเดตเนี่ยไม่เยอะอาจจะไม่เยอะแต่ตอัลลอฮ์ตาลาลลอฮ์รับแบบนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลาลลรับงานของเราอามัจของเราเนี่ย เราตายตรงนั้นก็ยินดีแหละอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเราจะดูในประวัติของบรรดาน نبي าเฉพะนบีอิบราฮีมกับนบีอิสมาอลนี่ชัดเจนมากตอนที่ได้รับคำสั่งให้ทำงานใหญ่ชิ้นหนึ่งก็คือบุรณะสร้างกะบ ะ, ะแล้วก็ทำความสะอาด มัสยิดอัลฮารามอทัพย์รับบียตีล์ตั้ยฟินาและกาคฟินาแลรุกย์สุจูดนบีอิบรอฮิมกับนบีอิสมาอีลสองพ่อลูกนะครับที่รับคาสั่งจากอัลลอฮฺ ت ع ا ล ى ให้ดูแลมัสยิดอัลฮารามสองคนนี้ขอดุอาด้วยหลังจากที่ทาเสร็จแล้วก็ขอดุอาศขอดุอาในจานวนดุอาที่ทั้งสองคนนี้ขอก็คือปับบานะตับัลมินะ อินนค์อัลต ah, <c oughs> ์อ nah, an nah, ัลสัมิ rah ุลลัยลิบ و ทุบ علينا อินนค์อัลต์อัลทูวาบุลรหิบเราจะไปอุทิศอ่ขอให้ Allah รับงานของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอดุอิอย่างนี้นะครับพระบารณะต قب ลมิ่นอินนค์อัลต์อัลสัมิุลลัยลิบ و ทุบ علينا อินนค์อัลต์อัลทูวาบุลรหิบขอ Allah รับสิ่งที่เราทาดีเพราะ Allah นั้นทรงได้ยิน สงรู้และขอส่งอภัยในสิ่งที่เราทำผิดอะไรที่เราทำดีเราก็ขอให้อัลลอ์รับอะไรที่เราทำไม่ดีอะไรที่เราทำผิดพลาดก็ขอให้อัลลอ์ส่งอภัยให้กับเราตบอะไรเนี่ยอินเนาะอันเธอทวับรุ่งหินะครับอัลฮัมดุลิลลาย์คอนในช่วง ر ม ض อนก็มีอาการนะครับอาการไอบ้างอาการเจ็บคอบ้างอาการป่วย อันนี้ถือว่าถ้ามองในแง่ดีแสดงว่าร่างกายของเรานั้นได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูนะครับตอนนี้ก็คือบริสุทธิ์อินชาอัลลอฮฺสายอัลลอฮรับงานของเราก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราทาสังเกตดูให้ดีนะครับคนที่กลับจากฮัศน์ก็จะเป็นอาการแบบเราเนี่ยแหล ะ, นะ ค, <c oughs> คนที่กลับจากทัศน์ส่วนใหญ่ก็จะไอจะมีมนูน่นมีนี่เหนะมือนกับสงทาย เราส่งท้ายอามาลซอลแล้วนะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยของเราของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบถือว่าเป็นกัฟฟาระกัฟฟาระ ค, คืออะไรกัฟฟาระก็คือปัจจัยลบล้างบาปท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งน้ำน้ำที่มันตำเราแค่ ชิ้นเล็กๆอ่ะนาอ่ะมันไม่ได้เจ็บอะไรมากแม้กระทั่งหนามที่ตําตําเท้าเราแค่อันเดียวเนี่ยมันก็เป็นกัะฟาบ เ, เป็นการลบล้างบาปให้กับเราฉะนั้นเวลาที่ป่วยต้องมองโลกในแง่ดีด้วยนะครับไม่ต้องไปบ่นหรืออะไรนะครับขอดูอาให้อัลลอสุบไาร์ตุะลาให้เรานะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้อามันอิบะดตะต่อโลกะลาห์ต่อไป อัลฮัมดุลิลอันะครับเราพอดีได้เริ่มต้นสุราหใหม่ด้วยหลังจากที่เราเรียนจบแล้วสุราอัลมุซัมมิลเป็นการเาเรียกว่าปรับหรืออบรมเข้มในเรื่องของจิตอุญญาตราอัลมุซัมมิลเป็นสุราที่ท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมเข้าอบรม กับหลักสูตรของ Allah การเตรีมุลไนพออบรมเข้มเหมือนกับเราตอนที่เราเข้ารามานตอนอย่เราอบรมเข้มในเรื่องการทำอาหมาอิบัตัดพอออกจากการอบรมเข้มในเรื่องของจิตวิญญาณแล้ววันนี้จะมาอบรมในเรื่องของการปฏิบัติงานละวันนี้เราลงสนามซูรุห์อัลมุดดิฟิรเป็นซูรุห์ของการลงสนามดะวัน มีคำพูดต ja ja nah, nah, ับซ ah ีรที่สวยงามมากนะครับเดี mil, hip, anyway. ๋ยวผมจะอ่านให้ฟังหลังจากที่เราอ่านอายะทไปแล้วชออัลลอฮ์ทรงปานเราจะอ่าล้อันนี้เราเปิดก่อนเปิดอ่านสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดนะครับมุกัดดีมาเกี่ยวกับ surah al mudassir ซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับ al muszamil นะครับยังไง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ب سم الله الرحمن الرحيم ยา أيها المدّسِر قم ف أ ن ِ ر و ر ب ك َ ف فكبر و ف ي ا ب َ ك َ ف ط ح ّ ر و ا ل ر ج ْ زفهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر فإذا نقر في النقر ฟะดะล ي ي َ و มไอ้ดียูมันังซีร์กาล์ล์คาฟีร์น ي ้งย ทำด้วยละแค่น nah, ั ir, kan, wa, ้นก so, ah ่อนนะครับสิบอายัดสั้นๆนะครับประมาณสามบรรทัดเองสามบรรทัดกับอีกหนึ่งนิดเดียวนะครับอัลมุดดัฟซิรความหมายเดียวกันกับคําว่าอัลมุซซัมมิลสองสุร้อนี้ลงกันคนละอะไรเขาเรียกคนละช่วงคนละเวลากันแต่เป็นสุร้อนแรกที่ถุกประทานลงมาเช่นเดียวกันนะครับ ในบางรายงานพขาเคาบางทีเวลาที่เราไปบางทีเราอาจจะไปเจอรายงานฮะดีษบางฮะดิษที่บอกว่าสุรุลอัลมุดดซิรเป็นสรุรแรกเป็นสุรุแรกที่ถูกกระทนลงมาบางทีอาจจะมีรายงานอย่างนั้นนะครับมีรายงานนะครับจาก อ, าอะไรนะจาเบร์นะเนอับดุลละฮ์เขาบอกว่าสุรุลอัลมุดดซิรนี่เป็นสุรุลแรกที่ถูกกระทนลงมา ตกลงอิกราะห์ล่ะเพราะที่เราเรียนมาก็คือสุรรที่ถูกประทานลงมาเป็นสุรรแรกก็คือสุรอิกราะห์เราจะรวมระหว่างสองรายงานนี้ยังไงอชชัฟบอกว่าสุรรแรกที่ถูกประทานลงมาก็คือสุรอิกระในการที่าบิรบอกว่าสุรรที่ประทานลงมาเป็นสุรรแรกก็คือสุรรอัลมุดดัซซิรวิธีการรวมระหว่างสองความเห็นนี้ก็คือ สุราที่ถูกประทานลงมาเป็นสุราแรกเลยอะไอิทลาฟในภาพรวมก็คืออิกระแต่ลงมาไม่หมดลงมาแค่หะไอ็คืออิกระในอิมรับบิคัลี่ خلقخلق الإنسان من علق อิกระ أ ر ب ك ا ل أ ك ر م ا ل ذ ي ع ل م بالقلمعلم الإنسانما لم يعلم จบคั้นแล้วไปลงต่ออีกอ่ะหลังจากที่สุราอื่นลงมา ในขณะที่สุรตุลมุดดัซิร์ถูกประทานลงมาเป็นสุระแรกหลังจากที่วะฮิยูได้หายไปจากท่านนบีสุลตัลละอัลลอฮฺท่านนบีรับวะฮิยูจากยบรีลในในในในฮีระในทัมฮีระเนี่ยแล้วอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่หายไปยบรีลไม่มาฟัตตะตุลวะฮย์เป็นช่วงที่ วะฮิยูได้ขาดหายไปแล้วสุรแรกที่ถูกประทานลงมาหลังจากที่วะฮิยูหายไปก็คือสุรนี้อัลมุตตและเป็นสุรแรกที่ถูกประทานลงมาแบบเต็มสุรนะครับก็คือตั้งแต่อายัที่หนึ่งจนถึงอายสุดท้ายเงานยังไงฮะบกาลจาวรตุบิฮรลัมมวดัยตุจิวาริฮะบัตุลวดี فنوديت عن يميني فلم أرى ش ي, ي, أ ى ئ ا ونظرت عن شمّ شمالي فلم أرى ش ي, أ ى ئ ا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ورجعت على أهلي فقلت دثروني دثروني فنزلت يا أيها المدثرون ف ظ ر ي ك سبب النزول หรือสาเหตุของการประทําสุรรนี้ท่านน บ, บีสุลต่ามบอกว่าตอนที่ฉันอยู่ในถ้ำเฮรอเนี่ยพอชั้นเสร็จภารกิจจากการที่ไปทํา อ, อ, อับาลอิบาดัดในถ้ำเฮรอเนี่ยชันก็ลงมาลงมาจากถ้ำแล้วมีเสียงเรียกเสียงเรียกชื่อของท่านน บ, บีมุฮัมมัดสุลต่านก็หันไปทางวาขวาเขาไม่เห็นใครหันไปทางซ้ายก็ไม่เห็นใครพอยก เงยหน้าขึ้นยกหัวขึ้นมองไปบนท้องฟ้าปรากฏว่าท่านเห็นยิบรียลยิบรีลผู้ที่เคยมาหาท่านในถ้านในถ้านเนี่ยเคยมาหาท่านครั้งแล้วในถ้ำ น, นะครับหเห็นอยู่นะครับบนท้องฟ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ระหว่างท้องฟ้ากับแผ่นดินก็กลัวนะบางรายงานบอกว่าเหมือนกับว่าเห็น ร่างจริงของจิบรีลนะครับอัลลอฮาลัยมรฟไม่รู้มีราย ง, งานไหมแต่รู้สึกว่าจะมีคาพูดที่บอกว่าท่านนาบีเห็นสภาพจริงของจิบรีลเป็นยังไง <laughs> มเลาค์จิบรีเป็นยังไงครับเคยได้ยินไหมว่ามเลาค์จิบรีนี้เป็นยังไงเป็นหัวหน้าของบรรดามเลาคะปีของจิบรีทั้งหมดมีกี่ปีครับจิบรีจะมีปีกด้วยฮะอัลมาเลค์จะเอาจะเอาลิมาเลคที่ อ, นะอ่า้แมลงอุลอัจญิ้าเร่าไร่รหน่สรฟารท่รติอัล้าแล้พูดถึงวิหคของมนดามะมาเลกับเท่าไหร่ยิบรีมีเท่าไหร่ทำได้ไหมเกี่ร้อยปีอ่ะเจ็ดร้อยหรือว่าหกร้อยเราไปดูอีกทีหนะ น, นึ่งนะครับจิบรีมีปีกด้วยแล้วก็ใหญ่มากนะครับได้เห็นร่างจริงของยิบรีมก็เลยตรนกตกใจไม่เคยเห็นเรื่องอย่างนั้น วิ่งนี้กลับบ้านกลับบ้านก็ไปบอกกับอา isha ไอ้กับกับคอดิจัตอรบอัลลอฮุอันฮิสซาดซิรูนีดัซซิรูนีหมผ้าให้ฉันหน่อยผมผ้าให้ฉันหน่อยนะครับแล้วนั่นแหละจึงอได้มีอายัดลงมาว่ายา uh um อายุหฮัลม um ุดดัซซิร um ุคุมฝังเดกคุมฝังเดจริงๆแล้วรายงาน สุราห์นี้กับสุราอัลมุซจำมิลเนี่ยใกล้เขียนกันยังมีรายงานอีกรายงานหนึ่งที่บอกว่าท่านนบีสุลต์ละสัลลัมได้ยินหรือได้ฟังคำศพประมาคทคําเสียสีจากบรรดามุ้ฝรั่ง ม, กกมัคกะเหมือนที่เราเคยเรียนในสุราห์อัลมุซจำมิลใจรับจำได้ไหมครับที่มีการใส่ร้ายท่านนบีว่าอ่ามูฮัมหมัดเป็นสเฮ์รมูฮัมหมัดเป็นหมอดูมูฮัมหมัดเป็นคนบ้าท่านก็เลยมีความรู้สึกท้อแท้ ไม่ยอมทำอะไรนอนอยู่นะครับนอนห่มผ้าอยู่ไม่อยากจะออกไปไหนล็อคสุภาห์แต่อะลก็เลยลงอายันี้ประทานอายัดนี้ลงมานะครับนี่คือซะบบุนุซูลที่มีรายงานเกี่ยวกับสุระอันดับติดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสุระนี้ถือเป็นสุระแรกแรกที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนาบี ส, สุลตล แตอย่างที high, you know, ่บอกนะครับว OK. you know ่ามันมีความใกล้เคียงกับกับสุราอัลมุซจลมาดูคาพูดของอิหม่ามอัสซดีสวยงามมากนะครับสุซดีอธิบยสสุราห์นี้ได้ได้ดีมากเลยบอกว่า ت ق د เราเคยบอกแล้วว่าอัลมุซลกับอัลมดดซิลความหมายเดียวกันก็คือคนที่ห่มผ้าอยู่ وأن الله أمر رسوله ص ل الله ع ل ي ل م بالاجتهاد عبادة الله القاصرة و ا ل م ت ع د ب ح ا ل ل ه นะท่านบอกว่าสองสูรห์นี่นี่ Allah ต่อละคัมซังมีคําสังให้ท่านนบีของเราทำอิบะดัตด้วยความมุ่งมั่นอิบะดัตสออย่าง 1. อิบะดัตเฉพาะตัวเองอิบะดัตทุกอัซซิระอิบะดัตเฉพาะที่มันได้ประโยชน์กับตัวเอง วัลมุตาอันเดียและอิบานั์ที่ได้ประโยชน์กับคนอื่นอะไรคืออิบานั์ที่ได้ผลประโยชน์กับตัวเองคนเดียวและอะไรคืออิบาดั์ที่ได้ผลประโยชน์กับคนอื่นด้วยพวกเราคิดว่าคืออะไรอิบานัดที่ได้ผลประโยชน์กับตัวเองคนเดียวก็คือการเกียมุลละหมาดคนเดียวละหมาดขอดูอาสร้างตัวตน อันนี้ที่เราบอกั good action เฉยมะสร้างตัวตนให้ให้มีให้มีคุณบุคลิกที่เข้มแข็งด้วยการเกียมันเลยอันนี้อิบะตุนกเซาะในขณะที่อิบดมุตะดียะอิบดที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นก็คือการดาวะการอินดา การไปบอกคนอื่นการไปเชิญชวนคนอื่นการไปนา s หั a คนอื่น good relation <laughs> อันเดลุสเข้าใจดีนะ <c oughs> ไงคือที่มาที่ไปนะครับอะไรนะวะดอ้กอยบอกผู้ที่มีอิทธิพลตั้งไปด้วยกันเป็นลักษตรของอัลลอซุบฮฮานวาตอล นี่คือคาพูดของอิมามอั่งดีทัตัม هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة و ا ل ق ا س ة والصبر على أذقى م و أ م ر ه هنا ب إ ع ا ل د ع ة والصدع ب ا ل إ ذ ا ر นี่คือเรื่องอลมุซมมรั على الساعة ท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมนั้นทำอิบะดัที่ได้ประโยชน์กับตัวเองนะครับแล้วก็ให้อดทนต่อคาพูดทักทักมันดาพวกของท่านในขณะที่ ในสุราห์นีいい้ Allah ตากำลังสัいい่งให้ท่านนบีนั birthday, ้นอร์กาศการแต้ท่านแก่ผู้คนนะครับดูคำสั่งุมในสุราห์อัลมุซัมมิลุม่นคน้าที่ในสุราห์นี้คุมใช้คำว่ากุมเหมือนกัน คำในสุราอัลมุซามิลคือการลุกขึ้นยืนละบ้างในขณะที่คมในสุราอัลมุดดซิรลุกขึ้นยืนเหมือนกันแต่ลุกขึ้นยืนทําอะไรฮะเปล่ประกาศหรือออกไปทําหน้าที่สะอันซิรเนี่ยเหมือนกับว่าลุกขึ้นไปคุณลุกขึ้นแล้วเนี่ยให้ทําหน้าที่ในการประกาศ ท, าทันทีเลยสะอันซิรอันซิรเนี่ยมาจากคําว่าอินซา อินาเนี่คืออะไรท่านนาบีของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบลให้บุคลิกให้ให้ลักษณะว่าบชิรันวนาซีรบชิรมีใครชื่อบชิรบ้างครับรู้จักไหมคชื่อบชบชิรบชิรกับนาซีรสองยอย่างหน้าที่ของท่านนาบีห ล, ลักๆบัชิรเนี่ยมาจากคำว่าบุชรอหรือฮาวดี แจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดียังไงคนที่ทําดีจะได้เข้าสวรรค์นะให้ทําดีไว้นะเรีวยกว่าด้านบวกด้านแบบเอ่อ ร, รีปลุกเรา้าให้คนทําดีนี่คือบาชีดในขณะที่นายรีหรือเอนซาดเนี่ยข่าวร้ายแจ้งข่าวร้ายเตือนสำทัพขูอย่าทาชั่วนะถ้าทําชั่วแล้วต้องลงโทษต้องเข้านารก สังเกตดูทําไมอายักแรกแรกที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีทําหน้าที่ในการด่าว่าเนี่ให้เริ่มด้วยการอินซาร์ก่อนไม่เริ่มด้วยการตับชีรก่อนทําไมทําไมไม่เริ่มด้วยการบอกสวรรค์ก่อนทําไมต้องเริ่มด้วยการบอกบอกมืนก็ว่าบอ ก, บ อ, กอะไรนะบอกข่าวร้ายก่อนอะ่ะทําไมมีการบอกสังคีตธรรด้วยนะครับ เพราะว่าพวกมุชริกินมุชริกิมักกะเนี่ยเป็นพวกที่จมอยู่ในอะไรจมอยู่ในชีริกจมอยู่ในการทาผิดต่อหล่อจมอยู่ในการอธรรมจมจมปลักอยู่ในการซาเลมก็เลยต้องข่าวร้ายไว้ก่อนเพื่อให้คนเหล่านี้หยุดจากพฤติกรรมเหล่านะมันก็เลยเหมาะสมที่จะใช้คำว่าอ e ็นซา ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านนาบีเราเรียนแล้วสุรุษตบบัตยาดที่ท่านนาบีน ส, สุลตรอห์ของเราสลัมพอได้รับคําสัง่งฟัสดะบีมาจุมารัวอารติตานิมุชริกินท่านเรียกบร ร, ราดาญาติโยมญาติในในเผ่าของท่านเนี่ยมารวมตัวกันแล้วให้กินอาหารกินอาหารเสร็จท่านก็ลุกขึ้นยืนใครที่นึกภาพไม่ออกก็ประมาณว่ามันงานาบ้านเราสมัยนี้ใช่ไหมก็จะมีงานเรียกมาแล้วก็ เจ้าภาพก็ขึ้นไปบนเวทีแต่ท่านนันบีขึ้นยืนลุกขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไปถามว่ามีใครที่เอก่ อ, อนหน้านี้เนี่ยนะหมายถึงว่าพูดว่ามีใครที่กล่าวว่าฉันเป็นยังไงอะไรก็ถามประมาณนั้นนะครับแล้วทุกคนก็ยอมรับหมดว่าท่านนันบีว่ามันไม่เคยพูดโกหกอะไรสุดท้ายสุดท้ายท่านก็บอกว่าในเมื่อพวกท่านทุกคนยอมรับแล้วว่าฉันนี่เป็นคนที่มีอมามนะไม่เคยโกหกฉันขอ บอกว่านาะไม่ใช่ท่านนีพูดอย่างนี้ท่านนีบอกว่าถ้าสมมุติว่าฉันจะบอกว่าหลังภูเขาหลังภูเขาลูกนี้มีกองทัพกําลังเตรียมพร้อมที่จะบุกมักกะมีใครที่จะเชื่อไหมท่านนีทําอย่างนั้นก่อนฉันเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังจะมาเตือนให้พวกท่านรู้ว่าตอนนี้มีกองทัพอยู่กองทัพหนึ่งกำลังจะโจมตีมั ก, กะ มีใครจะเชื่อคำเตือนของฉันบ้างทุกคนที่นั่งฟังนี่บอกว่าไม่มีใครที่เคยเห็นว่าเจ้านี่พูดกหยอมรับหมดเลยว่าท่านนาบีนี่ไม่เคยพูดกหเชื่อพอทุกคนยอมรับอย่างนั้นปุ๊บท่านนาบีก็บอกอัลลอฮฺอินนีนะซีรุลละกุมนะเบนยาดัยอาซาบินชัดีอัลกามาฺกาบอัลัยซสลตุสลาหถ้าอย่างนั้น ฉันก็จะขอเตือนพวกท่านว่าทั้งน้าพวกท่านี่มีการลงโทษอันเจ็บปวดจากอัลลอ์ถ้าพวกท่านไม่ศรัทธานี่คือหน้าที่ในการอินดาเข้าใจไหมครับนี่คืออินดาไม่เหมือนกับบชีรหรือตับชีตตับชีรก็คือพูดในเรื่องของสวรรค์ทำดีอัติยุลลอห์วะอัติยุลรัสูลอัลลีนอามนูอามุลสลิฮ อินนั้น الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمة อันนี้คือการให้ข่าวดีในขณะที่อินทร์นี่ให้ข่าวร้ายให้คนเห็นถึงความหวาดกลัวความน่าสะพรึงกลัวของนรกจันทร์สุฮานอัลลอฮเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราเลือกอันนี้เป็นเกร็ดเป็นเกร็ดนะเกล็ดหรือว่าเคล็ดลับในการในการในการพูดคุยเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยเราจะพูดคุยเรื่องยังไงก่อน จะพูดคุยเรื่องเรื่องเชิงลบหรือว่าเรื่องเชิงบวกก่อนก็ต้องวิเคราะห์คนฟังพวกผูุ้ชริกีเนี่ยมันเป็นพวกที่ดื้อด้านโอหังมากถ้าไปแบบนะถ้าไปแบบเขาเรียกว่าน้ำแน้นไปเนี่ยบางทีไม่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์ก็เลยต้องไปแบบนะขึงเลยต้องดึงต้องตึงเลยแห้งซ่ า, าทันทีเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ให้ขึ้นอยู่กับนะครับการ การวิเคราะห์นะครับว่าคนฟังจะเป็นยังไงมันไม่เหมือนกับบางทีถ้าเราจะดูวิธีการของบางบางบางบางพวกของมิชมชันนารีเนี่ยมิชชันนารีนี่เขาจะไม่ค่อยมีเอนซาสังเกตดูมิชชันนารีนี่เขาจะไม่ค่อยมีเอนซานะเขาจะมีแต่ตับชีเ์อย่างเดียวความรักความรักความรักอย่างเดียว อ, อันนี้จะเป็นสูตรของเขาเลย สังเกตดูบางคณะบางหมในในมุสลิมกันเองก็ยังมีบางกลุ่มบางพวกนี้เขาจะไม่มีเอนซเขาจะมีแต่ตับชีรอย่างเดียวเคยเคยสังเกตไหเาจะไม่เริ่มกับเอนซีมาจะเริ่มกับตับชีรนะครับัลลอฮแต่ข้อนี้อัลลอฮฺ س ب ะสั่งให้ท่านนบีของเรานั้นทาหน้าที่ในการเอนซต่อไปวะรอบบฟับบร กุมซะอัน้นนไม่ถว่าให้ลุกขึ้นยืนเนี่ยให้ทางานด้วยความ อ, า อ, าอะไรเาเรียกให้ทางานด้วยความมุ่งมั่นและก็จริงจังไม่ใช่เงียเดวต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นและก็จริงจังนะครับคือแต่อบิจิต ด, ดนวนานะชาตวอันซิร์รให้อินซาหรือว่าให้เตือนผู้คนทั้งหลายด้วยการด้วยคำพูดบิลอักวา ว่า بالأفعال แล้วเขาดยการกระทำที่าาจะเกิดผลประโยชน์หรือว่าเกิดผลตามที่ต้องการและคนอื่นนั้นและทิ้งสิ่งที่ตัวเองกำลังทำผิดอยู่นะครับบางทีบางทีคำพูดอย่างเดียวไม่พอการอินดารการทำงานด้าวะเนี่ย คือเราอาจจะเข้าใจในในแบบที that, ่พวกเราเข้าใจยังไงจริงๆแล้วมันมีฮัดิสหลายฮัดิสนะครับที่พูดถึงการทำหน้าที่ในการห้ามพราบความชั่วหรืออะไรพวกนี้อย่างเช่นฮัดิสที่เรามักจะได้ยินบ่อยมันรออามิ่งคุมเคยได้ยินไหมมันรออามิ่งคุมมุขกัลยะลิุไกย์รหูบียาดี فإنلم يستطيع ใครก็ตามที่เห็นเรื่องที่ไม่ดีก็ให้เขาเองกล้าให้เขาเปลี่ยนมันให้เขาปฏิเสธมันฟัยูไม่ใช่เองกล้าให้ฟัยูกยิหให้เขาเปลี่ยนมันด้วยมือ คำว่าเปลี่ยนมันด้วยมือตรงนี้เนี่ยถ้าเราแปลกันตรงๆก็คือเห็นเขากำลังทําอยู่ก็ไปเอามือมาอะไรก็ียกไปฉุดไปฉุดลาก <c oughs> ไปลากถูมาเลยไปอะไรของเขาตรงนั้นเลยแต่ถามว่าทําอย่างนี้ได้หดรือจุกระนี่ไหมครับทําไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราไปโฟกัสตรงที่คำว่ามือจนเกินไป อะไรที่สามารถทำหน้าที่ได้แทนมือบ้างบางทีคำว่าฟาลยกยิรฮูบิยดีตรงนี้เนี่ยมันสื่อถึงการเปลี่ยนด้วยพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนด้วยการกระทำอาจจะไม่ใช่มือเข้าใจไหมฮะอาจจะเป็นวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยมือก็ได้ แเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีกลายไปเป็นสิ่งที่ดีคำว่ามือตรงนี้อาจจะหมายถึงการร่วมมือกัน ร, ระหว่างคนสองคนหรือสามคนหรือสี่คนหรือระหว่างชุมชนในการเปลี่ยนแปลกก็ได้มันไม่ได้แปลว่าตรงๆโอเคคำว่าเปลี่ยนด้วยมือก็คือด้วยมือก็ได้ตรงๆไปเลยก็ได้แต่ว่ามันสื่อความหมายได้กว้างกว่านั้น <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับนี่ดูการตัดซีร์ไหมกระทั่งการตัดซีร์ของ อิมามอัสัดีท่านบอกว่า build อวาลวันอฟานบางทีการเอ็นดาร์เองก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปากอย่างเดียวใช้การกระทําด้วยอันไหนที่มันได้ผลเอาอันนั้นแหละนะอันไหนอันไหนที่มันสามารถจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราต้องการก็คือเราต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีให้มันเป็นเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มุงการ ให้เป็นสิ่งที่หมากรูนะครับอันนี้คื อ, อเนื้อหาหรือวิธีการซึ่งมันมีรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของการแข่งข้ารุ่งงุ่มขัดกรณีไหนที่เราเปลี่ยนได้กรณีไหนที่เราเปลี่ยนไม่ได้มันมีอีกสองสามสองสามหรือว่าเป็นบางทีอาจจะเป็นสิบข้อนะครับเป็นกฎในการที่เราจะทํางานแต่อย่างไรก็ตามนะครับหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน หน้าที่หน้าที่ในการห้ามพราหมณ์ความชั่วแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนความดีเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของนบีคนเดียวจำเอาไว้และมันไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะครูคนเดียวมันไม่ใช่หน้าที่ของโต๊ะอิหมมคนเดียวไม่ใช่นะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพราะท่านนบีบอกว่ามันรอเอ่อมิ่งผมท่านนบีบอกว่าทุกใครก็ตามที่เห็นถ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยการกระทําของเราก็ต้องด้วยคําพูด ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องด้วยใจใจนี่จะต้องต้องไม่รับไม่ยอมรับต้องไม่ยอมรับสุขานัลนแหละเปลี่ยนด้วยใจอันนี้เป็นสุดยอดปรัชญาที่เราขนาดใจก็ต้องต้องเปลี่ยนด้วยใจถ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนด้วยมือเปลี่ยนด้วยคําพูดดใจเนี่ยจะต้องไม่ยอมรับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนด้วยใจด้วยฝะ บ, บิลฝะบิฝะ บ, บิกลบินี่ต้องมี ยังไงอะอิทธิพลต่อต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มงกรรเนี่ยหัวใจมีส่วนสำคัญด้วยถ้าใจยอมถ้าใจถ้าใจมันเขาเรียกว่าไม่ยอมที่จะให้เห็นความชั่วเกิดขึ้นในสังคมคนมันจะไม่อยู่นิ่งเฉยมันจะต้องหาทางที่จะทำยังไงก็ได้อย่างน้อยก็ขอดุอาให้ให้เขานะครับได้รับพิญญาญจลร้อ์บอาแต่ละเลิกจากพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นใจ นะเขาเราอะไรควรใจอะไรเป็นละนะมือกับคำพูดนะการประทำกับคำพูดบางทีอาจจะทำไม่ได้ทุกคนแต่ใจไม่มีใครที่จะอ้างว่าทำใจไม่ได้ครับไม่มีใครที่อ้างอย่างนั้นได้ทุกคนจะต้องไม่ยอมรับความชั่วด้วยใจของเขาขอนะและนี่ย มันมีหลายอย่างเดี๋ยวยานะครับเรื่องฮะดิษนี่เราอาจจะต้องเอาเอากันอีกอเขาเรียกว่าเฉพาะในการอธิบายมันไปเลยแต่จะบอกว่าหน้าที่ในการอินซาร์เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านนาบีสุลต่านเดียวเพียงแต่ว่าวิธีการแบบไหนที่มันเหมาะสมที่เราจะเอามาใช้อันนี้แหละที่เราจะต้องมาคู่ดูอนะัลลอฮฺ ala, ลักสูตรของพระองค์ นะสอนสั่งให้ท่านนะีนี้ออกไปทำหน้าที่ไม่เพียงแค่นั้นอบรมต่อนนะบบาาอะกกบิและจงตกบีรต่ออัลลอฮุบ ح ا ن ه ะ تعالى หมายความว่าอย่างไงตกบีรก็คือตะซีนคือการเชิดชกูการให้เกียริ ในท afsir น, นี้บอกว่าวางซิมฮุบิทธาอฮิดจงให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ س ب ح ا ละเต็การให้วฮายวอลเตการให้ทั่วไอลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์ س ب ح ا ละเต็มกาิหทธิขอล์หมายถว่าอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ะต้องาให้แก่วไปอัลลอง อ, อรรัลลอฮ์ س ب ح ا ن ะเต็นสิทให้ที่ไมอสา์มารถจออะเ็การ่องท่ได้นิดเดีมายถวก็ไอ็ม่ได้คืออะไร ما حق الله على บ العب ا د ح د ้อความของ m ที il ่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซาลาหมถาม Muhammad bin ว่า العب ا รอะไรคือสิทธิของ a ل l a ที่บาวทั้งหมดต้องให้อะไรครับตัวพิก็คือเล่าอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่เราจะต้องเคารพอิบัตันอกจาก a l l a รอเดียวเท่านั้นไม่มีอีกแล้วอันนี้คือวารบะกะบารบะเให้มันเป็นหลักในชีวิตของเราเลยอุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนี่คือหลักในการทำงานนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทำงานอิบดต์คนเดียวเรมต้นเยทัศน์พิตัวเองทำงานอิบัตดัตอ่านอัลกุรอานหรืออะไรก็แล้วแต่ทำเพื่อหรือเราจะทำอิบัตดต เพื่อคนอื่นเราจะไปดาว่าคนอื่นทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองไหมทำเพื่อพักพวกของเราเองทำเพื่อเชื่อเสียงขอ ง, ของเราทำให้คนมาฟังเราทำให้คนมาเป็นลูกน้องเราไม่ใช่ทำเพื่อ Allah นี่คือ ورببك فكبر นะครับแม้กระทั่งการดาว่าของเราเนี่ยใช่ไหมวนี่ยกู وجعل قصدك في إنذارك ว่าชาลลอจงทำจงกำหนดเป้าหมายในการเอ็นด่าของเจ้าอัลฮัมมัดว่าทาเพื่อ Allah ไม่ได้ทาเพื่อตัวเองนี้คือความหมายของมัน سبحان Allah إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ ن َ س ْ ت ع ِ ي ن َ إِنَّ ص َ ل َ ا ت ِ وَنُسُكِي وَمَحِيايَ و َ م َ م َ ا ت ِ لِلَّهِ رَبِّ ا ل ْวกนี้นีเราจะต้องเข้าใจจำแจ้ง ห้ามเคือบแปลงห้ามมีอะไรที่มันมาทำให้เราเรียกว่าลังเลอีกไม่ได้เด็ดขาดอายะตุเตหีอายะที่พูดถึงการเตหีต่อ Allah อัาลลอฮ์ س ب ح ا ن และ ت ع เนี่ยมุสลิมทุกคนจาเป็นจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ทำให้ได้จริงๆบอกเพราะไม่ได้นะถ้ามีชิริกถ้ามีอะไรนิดหนึ่งเนี่ยเสียหายเสียหายหมดเลย ไม่ใช่เฉพาะเราแบบคนธรร ม, มดาธรร ม, มดาอย่างนี้คนที่เป็นนบีเองถ้ามีชิริกเสียหายด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอานบียกเว้นชิริกได้ต่ Allah, อัลอกฟังต่ลาลไม่มีไม่ได้นะครับอะไรนะละยากบตันงานลุหลอกต่าลบอกว่าลอินอัชรักตะละยากบตันงาลุถ้าเจ้าชิริกเนี่ยอนาจของเจ้าทั้งหมดเนี่ยจะ สูญสลายหายไปทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายแรกหรือกระบวนการแรกในทุกอย่างในการกระทำทุกอย่างของเราการกระทำต่อตัวเราเองการกระทำต่อคนอื่นการดะาว่าคนอื่นการอามัลอิบาดัตเฉพาะตัวเองเราบักะกะเิดจาเอาไว้ให้ดีนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อ a l หลังจากนั้นอซสย่บักะฟัตาฮิรอควานี้มีการอธิบายคน้างอย่างมีหลายทัศนะจากบรรดาอุลามะนะครับมาดูกันนะครับผมจะอ่านให้หมดเลยทัศนะของอุลามะที่บอกว่าอัสย่บักะฟัตาิรเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับมีอย่างน้อยสองทัศนะด้วยกันนะครับก็คื อ, เ, อ, อเสื้อผ้าของเจ้าเนี่ยจงทำให้สะอาดี่น้องครับ สุบฮานัลลอฮอันนี้เป็นอะไรที่เราแทบจะคือมันเป็นความสวยงามของอิสลามอนะคนทำหน้าที่ดวาวหั น, นจะต้องดูดีรูปลักษ์ภายนอกอ้ยัอนี้ถ้าดูเผลอๆก็คืออัลลอฮตะลากำลังพูดถึงรูปลักษ์ภายนอกคนที่แต่งตัวดีกับคนที่แต่งตัวสกปรก เวลาที่เราไปหาเราจะชอบเข้าหาใครมากกว่ากันะเห็นไมครับแม้กระทั่งการด่าว่าเองจะต้องมีจิตวิทยาในเรื่องเหล่านี้ด้วยนั่นแหละที่เขาบอกว่าไอ้พวกแต่งตัวหล่อๆแต่งตัวสมาร์ทๆมาเนี่ยทำผิดยังไงคนก็มองไม่เห็น เอาเสื้อสูตรไปปดไปปิดบังความผิดความตัวเองนะอัลสุบิลลัฮฺมิลลาอมเี่ระวังให้ดีนะบางคนพวกหัวใหญ่ๆนะเห็นไหมพวกหัวใหญ่ๆผ้ากันผ้าตบโอ้โหเดินมาแตกลเนี่ยก็เรานี่ก็ออร่านี่มาฝั่งพลางแล้วเห็นไหมเราหรืมันก็บอกแพ้ก็เดี๋ยวแพ้อะไรนะแพ้อเออเขาเรียกว่าแพ้อะไรอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺแปลว่าง นะแพ้ตบะกว่แพตบะเห็นเห็นรูปลักษณานี่เราก็แพ้แล้วคือเราไม่กล้าทำํำแล้วเขาพูดอะไรก็ฟังเขาอย่างเดียวแล้วถูกไหมมีผลครับ ก, การแต่งการนี่มีผลอันนี้รูปลักษณ์ภานอกเพราะฉะนั้นมุสลิมเองอย่าคิดว่าการแต่งกายไม่สำคัญอย่างน้อยให้สะอาดอันนี้ต้องต้องต้องให้นั้นเลย สุภานุ่นหลานี่เราให้ความสาคัญกับมันน้อยมากสังเกตดูเราจะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเรื่องการมีรูปร้างที่สมาร์ทดูดีในสายตาของคนที่เราจะไปด่าว่าเขามันก็เลยทำให้คนเหมือนไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ดูประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของคนนั้นๆด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมโดยหลักโดยรวมเนี่ย ข้างนอกก็จะต้องดูดีต้องสะอาดต้องไม่มีนัจิสต้องไม่สกปรกต้องไม่เหม็นเนะ่ะเพราะอัลชาลาบอกว่าวาเซียบักะตัดเขียวนี่คือความหมายที่หนึ่งคือภายนอกต้องดูดีในขณะที่ความหมายที่สอนเขาบอกเชนนามาธรรมคืออย่าดูดีแต่เฉพาะภายนอกในขณะที่หัวใจเนี่ยอัลลอฮฺว่าก็บรสกปรกนะคําพูดสกปรก หัวใจนี่ก็ยิ่งสงกปรกก็ไปใหญ่ดูดียังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะกจะต้องดูดีทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกอันนี้คือความหมายของวสาสีฮะบาแกตัดนะครับเนี่ยสรุปมาจากคำพูดของบรรดานักตั้งแลีวนะครับนี่เห็นไหมยุหเตมลอันนัลมราดบิสยาบิอามาลุฮุคุลุฮาวบทัดพิริฮะ ทั้ ي ค ه ีสุ ح ن และนุชบอ وإيقاعها على ع ق م الوجوب وتنقيتها عن المبطلات والمسدات والمنقتسات من ش ر ك ورياء الله تعالى ت ف س ي ا ت หรือความหมายของคาว่าเสียบเสื้อผ้าของเจ้าก็คืออามัลของเจ้าอามัลของเจ้าทั้งหมดองค์อัมมัดจะต้องสะอาดจาก ทุกอย่างที่จะทําให้อามัดเนี่ยเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรียะไม่ว่าจะเป็นชิริกไม่ว่าจะเป็นเนฟกักไม่ว่าจะเป็นโอหังไม่ว่าจะเป็นการอวดดีต้องไม่มีอามัดของเรานะครับการการทําพฤติกรรมของเราต้องไม่มีอย่างนั้นและรวมถึงการดูแลเสื้อผ้าให้สะอาดให้ดูดีเพราะฉะนั้นไม่แกล่เลยนะครับที่ว่า ทำไมเราจะต้องดูแลรบรลักข้างนอกบางทีถ้าเราเนียดดีเนี่ยมันได้บุญนะการแต่งตัวสวยๆมีฮะดีษหนึ่งที่ท่านนาบีสุลต่านสั่งบอกว่าอะไรนะเบาของใครก็ตามที่มีมิซกาลุับเตนอะไรนะมิซกาลูซรรัตินมินคิบร لا ي د خ ل ا ل ج ن ة م ن ك ا ن ف ي ق ل ب ه م ث ق ا ل ذ ر َ م ن ك ب ر ไม่สามารถที่จะเข้าสวรรค์ได้ใครก็ตามที่มีความโอหังอยู่ในใจของเขาแม้กระทั่งเท่ากับเล็กแม้กระทั่งเท่าอต่เอากำว่าก ا ل ا ั ل ه سبحانه และความโอหังความยโสโอหังนะครับไม่เขา้าเข้าสวรรค์ไม่ได้ทีนี้ ซาบะก็ถามท่านนาบีว่านะเราเนี่ยมันเป็นความชอบมันเป็นนิสัยของเราเราอยากจะใส่เสื้อสวยๆเราอยากจะใส่รองเท้าสวยๆอย่างนี้เนี่เป็นความโอหังด้วยหรือเปล่าเป็นความเย่อโสโอหังไหมเป็นความตะกับบดไหมท่านนาบีก็เลยบอกว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ความตะกับรดอินนัลลอฮะจามีลั อยู่ทบุริษมันอันนี้เป็นความสวยงามเป็นความสง่างามความสง่างามเนี่ยอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความสง่างามและอัลลอฮ์ชอบความสง่างามความทับับวรจริงๆก็คือบัตรุลฮักวะกามะตุนนัสบัตรุลฮักก็คือการไม่ยอมรับความจริงถึงแม้ว่า ตัวของเขาเนี่ยอาจจะศกรปรกศกงกขนาดไหนแต่ไม่ยอมรับความจริงอย่างนั้นเราไม่เรียกคนนั้นอมตนใช่ไหมครับบางคนอาจจะแต่งตัวดูเหมือนกับว่าเป็นคนต่ำๆแต่โอ้โหหัวดือ้อยิ่งกว่าคนที่ยิ่งกว่าคนรวยอีกคนจนบางคนอันนี้แหละที่บอกว่าน่ากลัวคนจนที่ตะกับบดน่ากลัวหรือน่าสมเพชมากกว่าคนรวยที่ตะกบบด คนรวยเนี่ยมันเหมาะสมคือว่าโดยภาพภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็มันโอเคกับฐานะของมันที่มันจะไปตะกบบดเพรามันรวยใช่ไหมแต่คนจนเนี่ยมันจะเอาปัจจัยตรงไหนที่จะไปตะกบบดกับคนอื่นมันไม่มีอะไรจะไปเอาตัวเองจะตะกบบดเพราะฉะนั้นคนจนที่ตะกำบดนี่น่ากลัวกว่าความตะกบบดก็คือการไม่ยอมรับความจริงบาทรุณภาพปฏิเสธความจริงต่อว่ามาตุนเนื้อแล้วก็การที่ไป ล่วงละเมิดสิทธิของมนุษย์เพราะฉะนั้นการแต่งตัวดีไม่ใช่ตะกรบดถ้าเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามีความรู้สึกว่าโอ้ยเราอะไรนะสมถะเรา zaheb บางทีคนที่แต่งตัวดีๆเนี่ยบางทีเราอย่าไปว่าเขาคุถามเขาก่อนว่าทําไมแต่งตัวดีขนาดนี้อชมเท่าก่อนบางทีก็เมีเหตุผลของเขานะครับ ไม่ใช่ว่าพอเราแต่งตัวดีไม่เป็นเนี่ยเราไปว่าคนที่แต่งตัวดีนะครับมันไม่เกี่ยวตรงนั้นต้องดูรันะตตะลาอาจจะไม่ได้ดูตรงนั้นก็จริงแต่ถ้าเนียดถูกต้องได้บุญ น, นะครับสุขาน่ลลรอกเนี่ยหัวใจที่สําคัญมากเนียดของเรานี่แหละที่สําคัญที่สุดนะครับจากหลักสูตรนี้ในสุราอัลมุดดซิรนี้ทําให้เราเห็นความสําคัญของรูปลักษณ์ภายนอกด้วยนอกจากที่จะต้องมีนะ คนใลักษณะภายในที่งดงามแล้วคุณลักษณะภายนอกก็จะต้องต้องดูดีนะครับต้องงดงามและก็สง่างามด้วยความตามที่เหมาะสมนะอย่าให้มันเกินไปก็ลกัดนะครับอัลลอฮฺว่าละรุจเซฟะจุรละหมดเวลาพอดีอินชาอัาลลอฮฺจะมาต่อกันใหม่นะครับวันนี้ได้แค่สามอายัดนะครับสีอ่อายัดวารุจเซหมายถึงอะไร อัลลอ ا ์ ل จ้าอัยรับนะกะเลขาอัลลเล่าเร้าเอัลเลาเรื่ออาลาอาลั